พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่7ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13บพฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าอยู่สบายแบบผู้ภาวนาอา้าลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส3บสาธจิกายนพุทธศักราช 2,559 ้าอห้าภัยอุตกะภยัยภัยน้ำท่วมวัดของเราก็เป็นที่ทราบกันตั้งแต่วันที่เก <c oughs> แต่ตกฝนตกสี่ทุ่ม <c oughs> วันที่แปดแต่มันให้ผลวันที่เก้า ที่วัดน้ําท่วมวันที่9แต่วันนี้เป็นวันที่สิบสามพระในวัดของเราก็ตั้งหมด38รูปวันนี้ลงมาฉันงดฉันเจดรูปน้ําท่วมวัดเราเขานี่เป็นประวัติการประวัติศาสตร์ของวัดแต่ก็ความเสียหายมีไหมมีเสียหายตามธรรมชาติ แล้วก็มีถนนหนทางแล้วก็มีกำแพงที่เสียหายส่วนอื่นเชนาชนะพระสงฆ์ก็ปกติก็ไม่มีอะไรป่าไม้ก็บ้างเสียหายมากก็่าสมควรป่าไม้ที่เราปลูกใหม่แต่ป่าไม้ที่มันยืนต้นเก่าแก่อยู่แล้วก็ไม่เสียหายมากก็มีอยู่บ้างที่โค่นลงไปตามน้ำแต่ก็ ส่วนราชการต่างผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเมื่อวานกับหมู่กลุ่มใหญ่กลุ่มคณะที่มาตรวจตราดูพี่น้องประชาชนอาเภอนามโสมนายูงขาดเสียหายอะไรบ้างท่านก็ได้มาให้พวกผู้ที่เกี่ยวข้องมาจดบันทึก <c oughs> ความเสียหายจากด้งนกะตอนบ่ายก็มีพวกโยธา ที่วัดของเราวัดเสียหายเขาก็เข้ามาดูก็พระก็พาไปดูจุดที่น้ำกัดสะพานกัดกำแพงก็น่นนะก็มาดูแต่หลวงพ่อให้ความใส่ใจสนใจเรื่องโยธาเน่นะเ <laughs> พราะเพราะวัดของพ่อหลวงพ่อเนี่ย กำแพงกับสะพานมันต้องอาศัยโยธาหรือทางหลวงหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นที่จะเขามาเกี่ยวข้องหลวงข้อพ่อไม่ปฏิเสธทั้งนั้นแหละแต่เข้ามาด้วยศรัทธามาช่วยมันก็เสียหายจริงๆที่วัดที่ของวัดของเร า, เาแต่ว่าความเดือดร้อน ในชีวิตประจำวันมีไหมก่อนเะี่เราดาเนินชีวิตประจำวันก็ไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนไปตต้อนระยะยาวนะคือการไปมาหรือว่าการเดินไปมหาสู่กันภายในวัดไม่สะดวกเพราะมันสะพานตัดขาดแต่ส่วนอื่นเราก็ไม่ได้มีอะไร ทางจังหวัดละวันหน่วยงานต่างๆที่จะมาแจกของก็ขอให้ไปแจกชาวบ้านหลวงพ่อเองเป็นห่วงชาวบ้านมากกว่าภายในวัดของเราพอวัดของเราตึอยังไงก็มิใช่ว่าความเสียหายเฉพาะหน้ามันเป็นเสียหายระย ะ, ะ, ย, ะยาวจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการประชุมกรรมการภายในวัดหรือพระสงฆ์ในวัดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาต้องมา ปรึกษาปารภบหารือกันว่าเราจะซ่อมตัวไหนก่อนอันนี้ก็คงจะใช้เวลายาวนานพอสมควรแต่ขณะนี้ก็กถิน่นแต่ละวัดก็ยังไม่จบในบรรดาเครือข่ายลูกศิษย์ลูกหาของพวกเราก็ยังไปจัดงานเรื่องกะถินอีกไม่กี่วันก็คงจะจบละพอกรถินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ คงจะมาหารือกันทางในช่างทุกที่เป็นเครือข่ายลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักมักค้นก็จะเชิญมาหารือกันหรือว่าเข้าผู้ที่นั่นก็เข้ามาร่วมกันหารือกันพระวัติคงใช้ระยะเ ว, ะเวลายาวนานพอสมควรในการบูรณะหรือว่าซ่อม ความสัมรทธเสียหายภายในวัดของเราในคราวนี้ครั้งนี้คงจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่แต่เวลาปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยไม่มีในวัดของเราพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นส่วนราชการหรือวันหน่วยงานต่างๆที่จะมาช่วยสงเคราะห์ก็ขอให้ไปสงเคราะห์ชาวบ้านหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องชาวบ้านมากกว่าเพราะว่า น้ำท่วมเขาในเสียหายมากๆเรื่องเกี่ยวกับข้าว เ, าเพราะว่าข้าวยังไม่ได้เก็บกาลังเตรียมจะจะเก็บข้าวเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ามาวางไว้เพื่อจะตากแดดให้แห้งฝนก็มากลางคืนไม่มีปีมีขุยไม่ได้เตือนเลยมากลางคืนอีกต่างหากก็เลยทำให้น้ำไหลลวดทีเดียวเลยแบบตั้งตัวไม่ทัน ชาวบ้านเขาคงจะสออึึสะอื่นในใจทําทำนามาทั้งปีแต่ทั้งที่จะได้ผลได้รับผลประโยชน์เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผลที่สุดก็น้ำคลนั่นะไหลหลากลงไปหมดเดี๋ยวนี้ข้าวที่เป็นมัดมัดที่เขามัดมันไหลมาตามน้ำอยู่ในวัดของเรานี่ มากมายทีเดียวเราก็จุยกระจายไปทั่วหมดเลยเพราะอะเพราะว่าน้ำมันพัดเข้ามาแล้ว ม, มันติดต้นไม้เท่นีในวัดของเราเป็นกมีต้นไม้ผุ่มต้นไม้ไผ่ไม้อะไรจะมีอะไรพอมันมาพัดเข้าไปก็เห็นโอ้เห็นข้าวของชาวบ้านแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งที่เขาจะได้รับผลตอบแทนทำทำนาทั้งปี ผลที่สุดก็มาเสียหายโค้งสุดท้ายนี่แหละถ้าส่วนรัชการที่จะเข้ามาช่วยเหลือชุมชนหลวงพ่อเองก็อยากจะให้มองดูชาวบ้านของลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยนะกอาอำเภอนายูน้ำโสมท่าเชวาไปก็เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อทั้งหมดถ้ามีอะไรหลวงพ่อก็ได้เรียก เ, เขาเรียกใช้เขาแต่ละหมู่บ้านแต่ละอําแต่ละหมู่ตาบล เขาก็มาช่วยการช่วยงานวัดวาศาสนาก็เป็นผู้มีศรัทธาเพราะฉะนั้นลูกหลานแต่รับความกระทบกระเทือนนะได้รับความกระทบกระเทืนอ น, ว, นวัดของเราก็กระเทือนกระเทือนใจไปด้วยเหมือนกันนะหลวงพ่อได้ยินแล้วแล้วก็มีคนฟังๆแล้ก็มีคนตายเด็กน้อยตายอีกคนหนึ่งก็น่าสลดหดหู่อีกเหมือนกันอนอนกลางคืนน้ําท่วมขึ้นมาแบบกระทันหัน ไม่ขาดคิดว่าน้ำจะท่วมตื่นพ่โลกระเล ข, ขึ้นมาแม่ก็พัดไปทางหนึ่งพ่อก็เนี่ยะอยู่ในบ้านกันกับลูกชายก็จับมือกันนที่สูตรกันตู้ในบ้านน้ำพัดมันจะล้มพ่อก็พักตู้เอาไว้ก็ลูกสายก็หลุดได้ยินว่ายอย่างนั้นนะแล้วก็หามไปตามน้ำเกือบสองกิโล จากบ้านของเขาไปกว่าจะไปนค้นเจอเมื่อวานวันก่อนมัม้งทางพออโรงพยาบาล น, นายวงมาเรียนให้หลวงพ่อทราบหลวงพ่อได้ยินแล้วก็โอ้ตายถ้าถูกไม่ถูกใครก็ไม่รู้หรอกถ้าถูกกับพ่อแม่พี่น้องอที่ได้ประสบเหตุอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทจําใจยังไงเหมือนกันกระทบกระทือนทางจิตใจมากพอสมควรเขาเรานะ นี่แหละอันนี้ก็คือความเสียหายคราวนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวแต่สำหรับวัดของเราก็เสียหายเฉพาะหน้ามีไม้ก็มีแต่ไม่มากไอ้ที่เรากระทบกระเทือนทางปัจจัยถึงเขาน้าโภชนาะอาหารหยุกยาพระสงฆ์ก็เกือบจะว่าไม่กระเทือนนะเพราะมันไม่ท่วม ที่วัดของเรามันไปท่วมเสียหายเต็มเนี่ยนะกำแพงถนนที่เราจะต้องใช้ความคิดระยะระยะยาวตัวนี้จะต้องวางแผนระยะยาวคงจะไปสร้างแบบผุดผั บ, บเดือนให้วันสองสาวันแล้วเสร็จคงเป็นไปไม่ได้ตัวนี้ต้องเป็นหลายเดือนนะถาว่าผู้ที่มีสติมีปัญญา ที่จะมาช่วยในจุดนี้หลวงพ่อเองก็ยินดีเหมือนกันนะยินดีอย่างมากเลยนะขอให้มาช่วยๆ่วยดูว่าเอาอย่างไรแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเนะี่ก็อายุถึงขนาดนี้แล้วหลวงพ่อก็มีแต่มองดูลูกหลานนะที่จะทำยังไงที่จะได้รับความสะดวกหรือจะให้ตามขึ้นมาได้ตามปกติให้มันปกติที่ไปมาสะดวก ภายในวัดตอนนั้นแหละไม่ได้มุ่งหวังอะไรถ้ามันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อเขาบอกไม่เป็นไรกระทิ้งไว้นั่นแหละพอไปได้จุดไหนพระอพระที่อยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ไปอยู่มุมอื่นอีกแต่ตามไม่จริงมุมที่น้ํามันตัดนี่นะที่น้ํามันตัดไปหนึ่งมีกุฏิเล็กๆสําหรับ กรรมฐานที่จำพรรษาได้ไม่อยู่แปดหลังนักศรัทธาญาติโยมแล้วก็เป็นที่พักของศรัทธาญาติโยมอีกส่วนหนึ่งเมื่อข่าวจำเป็นเนี่ยอันนี้ก็คือที่ที่เราที่วัดถนนมันขาดเนี่ยที่หองน้ำมันขาดจุดนี้แหละแต่ถ้าวาาถ้าวาวาหน้าแรงคงจะทำไม้ไผ่ ทำไม้ถนนไปผ่านไปได้แต่ตามไม่จริงกันนะอยากจะให้ทําจุดนี้ล่ะก่อนเพื่อให้ถนนหนทางเดินไปได้นะอันนี้ก็ปิดแต่ความคิดเนี่ยเป็นแต่ความคิดนะได้หรือไม่ได้กันนั้นก็สุดแท้แต่อนาคตพวกเราจะปรึกษาปรารถกันนะแต่ถึงยังไงก็ตามให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่าอันนั้นคือทางด้านวัตถุ มันเป็นพังทลายออกไปใชาจะจุดอีกจุดหนึ่งเขาบอกปัจจัย4ปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าคาว่าพวกเราขาดปัจจัยสี่เครื่องอาศัยมันก็ลําบากอีกในระดับหนึ่งแต่ก็เราก็าพอที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ถึงปัจจัยสําคัญมากไม่ใช่ว่าจะปัจจัยสําคัญมากเพราะเราอาจจะหลีกเลี่ยงไปอยู่ใน ม, มุมใดมุมหนึ่งของวัดก็ได้ วัดของเรามันกว้างขวางถ้าหาก ว, ว่ามีความจําเป็นไหมก็จําเป็นเพราะว่ามาอยู่ในวัดจะทำไงเหมือนกับนิ้วมือของเรานิ้วมือของเรามันเป็นแผลมันเป็นมะเร็งตัดทิง้งตัดทิง้งเสียดายไหมก็เสียดายแต่จําเป็นมากไหมก็ส่วนอื่นจําเป็นมากกว่านะแล้วก็ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่อง เรามาเพื่ออะไรบวชมาเพื่ออะไรมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรต่างคนก็ต่างมาจากคนละแหงละหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกทุกภาคที่มาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเถ่นเหล่านั้นไม่มีที่อยู่แล้วเหรอคาต่อก็มีคิดถึงบ้านคิดถึงที่อยู่อาศัยของตอนเองเหมือนกันแต่มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อปฏิบัติธรรม แต่หลวงพ่อก็เหมือนกันอยู่อยู่มุกราหารจนะมาอยู่ที่นี่ไม่มีที่ไปแล้วเหรอมีที่ไปแต่ว่าที่นี่สะดวกสบายยักก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมนี่แหละต่างคนก็ต่างมาเพื่อปฏิบัติธรรมให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้มีความมุ่งมั่นมุ่งหวังว่ามาเพื่ออยู่ที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่อื่นไม่ได้เหรอก็ได้ ปฏิบัติทำที่อื่นก็ได้แต่ที่นี่ก็เป็นที่สัปปายะแห่งหนึ่งเป็นที่กว้างขวา ง, วางเป็นที่หลีกเล่นหลีกเล่นหาที่หาความสงบสงัดได้พวกเราจะในมอพอใจในในการปฏิบัติจุดนี้เนะีก็เหมือนกับพวกเราอยู่ในบ้านของเรานะในประเทศไทยต่างกว้างขวา ง, วางเราไม่ไปที่อื่นหรอก ก็คงจะให้ได้คาตอบในใจของแต่ละคนเหมือนกันทำไมมีเหตุผลแต่ละคนในใจเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องพูดกล่าวกันความในใจจุดนั้นเพราะความพอใจื้วงความสะดวกสบายด้วยความสัปปายะนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละในวัดของเราเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าสัปปายะอยู่ด้วยความสะดวกสบายเป็นสถานที่เหมาะ ในการภาวนาในการประพฤติปฏิบัติเรียก ว, ว่าเสนาสะนะสัพพายะอุตุสัพพายะปุคระสัพพายะอาหารสัพพายะคือว่าอาหารสัพพายะอาหารเป็นที่สบายเสนาสะนะที่พักผ้าอาศัยปา่ารงที่พักผ้าัยเงียบสงบเป็นที่สบายบุคคลที่อยู่ด้วยกันเป็นที่สบาย อากาศก่อไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปเป็นที่สบายถ้าตรงไหนเป็นที่สบายเราก็พร้อมที่จะบำเพ็ญประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเรากคิดอยู่แล้วว่าชีวิตนี้น้อยนักนะไม่รู้จะอยู่นานเป็สักเท่าไหร่อันไหนคือคุณงามความดีพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสังสมบุญกุศล คิดดีทดําดีพูดดีในจิตในใจของพวกเราตลอดเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเรามุ่งหวังความพ้นทุกข์ในจิตในใจของเราตามแนวแถวระยะประเพณีที่พระพุทธเจ้าพระอระหันตสาวกที่ท่านได้บอกกล่าวเราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นพวกเราจึงได้เสียสละมาอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างนี้สะดวก ส, สบายไหมสะดวกสบายตามอัถภาพอย่างพระฮะ จะให้สะดวกสบายเหมือนกับเราอยู่ทางโลกไม่ได้เราอยู่สบสบายอย่างพระสุกอย่างพระสบายอย่างพระการเป็นอยู่อย่างพระพระที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ให้หลูหลาโอ้อาฟุ่มเฟอยอก็ผิดผิดแนวแถวของพุทธะอีกพุทธะให้อยู่แบบ พอตัวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงที่ท่านได้ตรัสไว้นั่นละ่ะเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆกับว่าอย่าฟุมเฟ้อฟุม่มเฟืยแต่การประพฤติปฏิบัตินั้นให้เข้มงวดกวดขันแต่ถ้ามันมีมากมากเอาแบ่งปันให้คณะทศไทยญาติโยมอย่างพวกเราเคยได้แบ่งปันนั่นแะแต่สิ่งที่เราแบ่งปันพลาไป บางสิ่งเราก็ได้พูดบางสิ่งเราก็ไม่ได้บอกกล่าวเพราะว่าเราทาบุญทําทานไปนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์เราอยู่อยู่ระยะอยู่อย่างพลาแต่ทางด้านจิตใจเรื่องจิตภาวนาของพวกเราก็ให้พวกเรามุ่งมั่นมุ่งหวังในจิตในใจให้ปักหลักให้แน่นจุดนั้นคือต้องการพ้นทุกข์ ให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาบังคับจิตใจของตนเองให้เป็นสมาธิตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ในวันนี้เราไม่เอาตลอดวันไม่ออกไม่ทั้งเดือนทั้งปีวันนี้ข้าพเจ้าฉันจะหันเสร็จแล้วหรือข้าพเจ้าอดอาหารข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในวันนี้ อยากจะให้พวกเราพวกทุกท่านนะที่เป็นพระลูกหลานทั้งหลายควรจะจังจิตอธิษฐานในใจเลยจะให้บังคับจิตใจของตนเองเอมันไม่ตายหรอกมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพูดอย่างนั้นได้นะะออธิษฐานไว้ไว้ในใจเลยนะวันนี้นะอตั้งแต่ตีหนึ่งมานะข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดจะไม่ให้เผลอไปที่อื่น ให้อยู่กับพุทธโทหายใจเข้าเวลานั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเดินก็ขา ข, าขวาพุทขาซ้ายโทเวลาอยู่กับที่ทำงานอริยบทใดปัดกวาดเราก็ขาเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโธให้มีสติอยู่ทุกอริยบทในการเคลื่อนไหวทดลองดูซินี่แหละ อันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็คือเป็นภาคปฏิบัติเหมือนกันอันนี้เลยเรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราจากนั้นเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะอ่เป็นหนึ่งจากนั้นก็พิจารณาทางวิปัสสนาทางด้านปัญญาต่อไปแต่จิตใจของเรายังความสงบก็ยังไม่เจอเออมันก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงแล้วไม่เจอจะทํำยังไง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอพวกเราไม่มีใครช่วยกันนอกนอกนอนจากตัวของเราเท่านั้นแหละที่จะดูตัวของเราให้ดูให้มองตัวของเราบังคับตัวของเราคนอื่นบังคับไม่ได้ตัวเองบังคับใจของตนเองเมื่อบังคับใจของตนเองนะนะเราจะรู้จะเห็นผลนะพระเนรูกหลานนะแต่เมื่อเห็นผลมันขยันเองทีนี่ แต่ใหม่ๆมันก็ขี้เกียดนั่นแหละแต่พอมันพาเอาจริงเอาจังแล้วนี่ยมันจะขยันนะสิมันเห็นผลนะเห็นผลทางด้านจิตตภาวนาทางด้านจิตใจทีนี้ก็เนี่ยนะไม่ได้มุ่งหวังทางอื่นนะทางโลกไงยังไงก็ได้อย่างที่หลวงพ่อพูดนะทางโลกยังไงก็ได้สร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ก็ทําก็ย่อก็ดีนะก็ไม่ได้หนักใจ ไม่ได้หนักใจกับทางด้านวัตถุเพราะเหตุอะไรเพราะเรามามุ่งหวังทางด้านจิตใจเรื่องจิตตภาวนามากกว่าเรื่องวัตถุอย่างอื่นแต่วัตถุอย่างอื่นเราก็ทานะเราก็ไม่ได้มองข้ามปัจจัยสี่เราก็ดำเนินไปตามที่มันเกิดมันมีนะแต่ก็ไม่ได้ถูกทุกใจนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นกั เป็นการให้พวกเราคิดดูซิที่หลวงพ่อพูดถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมเป็นหลักเหตุผลไหมหลงพ่อพูดทั้งวีทั้งวันให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังเมื่อฟังไปแล้วนะก็วพวกเราก็ทบทวนในจิตในใจอีกให้ทีท่วนอีกใช้ปัญญาของตงัวเองพิจารณาอีกนะแต่หลวงพ่อ มั่นใจว่าลูกพ่อแนะนำไปในพระลูกพระหลานสัตยาญาติโจมไปในทางที่ถูกต้องแต่ไม่สอนให้ขี้เกียจขี้คล้านนะสอนให้หมั่นขยันนะในการทรมาหาเลี้ยงชีพนะแล้วก็ให้รู้จักเก็บอีกต่างหากเก็บหอมลอมริบแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคอย่าไปลืมตัวอย่าไปใช้จนลืมตัวอัอนนั้นก็ไม่ถูกให้รู้จักมองตัวเองอยู่เสมอ ข้าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้นี่มันเพียงพอเหมาะสมไหมในการดำรงชีพของเรานี่แหละสรุปแล้วก็คือให้มองตัวเองดูตนเองให้รู้จักประมาณตนเองนะพวกเราอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความพาศุกนั้นลูกหลานนะถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละความจีบหายเข้ามาหาพวกเรา ถึงจะเป็นพระก็ลืมตัวก็จิบหายนั่นเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นฆราวาสลืมตัวก็จิบหายไปอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าพวกเราไม่ลืมตัวนะรู้จักประมาณตนอยู่เสมอนั่นแหละอยู่ที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขความพอเพียงและความพอดีก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆุท่ทนนทานในสถานในการสถานที่ที่เราเป็นอยู่ทุ ก, ท, กทุกแหง่งฮะเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ เตีงศีลธรรมชาวศีลธรรมทำศีลธรร ม, รรมคือหลักเหตุผลพูดอย่างนั้นได้ถ้าผู้ใด้ยึดศีลธรรมคือยึดหลักเหตุผลถ้าเหตุผลอยู่กับมีกับผู้ใดผู้นั้นมีแต่ความผ alias ุกถ้าคนไหนออกจากนอกเหตุนอกผลไปแล้วนะไม่อยู่ในเหตุผลทาําตามอําเภอใจทําตามอัธายใจทําตามกิเลสอยากจะทําโดยมากมันไปทางต่ํำนะลูกหลานนะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ